ปลอดภัยส่งตรงถึงบ้านก่อนเริ่มรายการในช่วงที่หนึ่งมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันก่อนค่ะเป็นโสตทำไมยอยู่ไปให้เจ้าเหงาสวง่งไม่คิดจะหาคู่พวงเดียวจะลวงพลไว้ไปเปลา่า ทำไมกลุ่มใจในยามร้อนรนควรหาคนรักจากคนไว้เลื่อปลอนช่วยพัดวีไหยเมื่อข้าวหน้าฝนมีคนขู่เคียงคิดไรหน้าหนาวกระแทกเข้าไป ม่ตายไปเจอยกขาบา้านท่นรู้ว่าไม่แต่งงานเดียวจะผ่านมิให้มาเกิดเกิดมาทำไมไม่หาสุขอันลำเลิศเกิดมาจะเสียชาติเกิดแต่งงานเกิดคุณนุมคุณสา ทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาผู้พวงเดียวจะลวงคนไว้ไม่เปล่าเกิดมาเดียวได้จะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเธอเราอยู่ว่างเปล่าไม่ดีอะไรเป็นโสดทำไมกลุ้ใจในยามร้อนรอนควรหาคนรักตะคนไววเปลอบร้นช่วยพัดวีาย เข้าไปกอดกันใทยพระองคีชาเป็นโสดทำไมใครใครที่เขารักกันสุสีอยู่ทุกวิวันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบางเจ็บป่วยจาบันป่อน้ำข้าวกันเห็นน้ำ โสดทำไมตายไปเจอยมระบาดท่านรู้ว่าไม่แต่งงานเดี๋ยวจะผ่านมีให้มาเกิดเกิดมาทำไมไม่หาสุขอันล้ำเลิศเกิดมาอย่าเสียชาติเกิดแต่งงานเถิดคุณหนุ่มคุณสาวสุรพลนี่จริงๆเป็นพันจ่าอากาศโทนะคะมีชื่อจริงว่าลำดวนสมบัติเจริญค่ะเป็นราชาเพลงลูกทุ่ง เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเจ้าของเพลงฮิตเพลงดังคือ16ปีแห่งความหลังนะคะสุรพลเนี่ยมีคุณพ่อรับราชการอยู่แผนกสัญพกรจังหวัดชื่อคุณพ่อเปลืองสมผัดเจริญส่วนคุณแม่ชื่อวงซึ่งแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านแล้วก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆกลางใจเมืองสุพรรณนะคะ สุรพลเป็นบุตรชายคนที่สองในบรรดาพี่น้องท้องเดียวกัน6คนสุรพลเนี่ยค่อนข้างมีชีวิตที่ดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าได้ศึกษาที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บก็เข้ามาอยู่ช่างก่อสร้างอุเทนถวายแต่ว่าเรียนได้แค่ปีครึ่งก็ต้องลาออกค่ะเพราะว่าใจไม่รักแต่ด้วยไม่อยากขัดใจคุณพ่อนะคะก็ การเรียนก็ไม่ดีครึ่งๆกลางๆอยู่อย่างนั้นต้นหลังเนี่ยมาสมัครเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสุพรร์กงลิเสียเซียวซึ่งเป็นโรงเรียนจีนค่ะแต่ก็สอนอยู่ครึ่งปีก็ลาออกอีกแล้วเพราะไม่รักอาชีพนี้ต่อมาสมัครเข้าไปเป็นนักเรียนจ่าพยาบาลอยู่ที่โรงเรียนพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือกองทัพเรือค่ะด้วยความที่ชื่นชอบการร้องเพลงมากกลางคืนเนี่ย จะแอบนี้ไปร้องเพลงแต่ชะตาชีวิตก็ผกผันนะคะเพราะว่าได้รับโทษคุมขังจนกลายเป็นนักร้องขวัญใจของนักโทษค่ะเพราะว่าชอบร้องเพลงกล่อมก่อนนอนเมื่อได้รับอิสรภาพสุรพลเนี่ยก็ได้ทิ้งเส้นทางทหารเรือแล้วมีโอกาสได้มาร้องเพลงในงานสังสรรค์ของกองทัพอากาศน้ำเสียงของเขาเนี่ย โดนใจเรืออากาศเอกปราโมดวรรณพง์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งค่ายมวยและเป็นหัวหน้าคณะนักมวยของกองทัพอากาศชื่อค่ายมวยเลือดชาวฟ้าดังนั้นนะในวันรุ่งขึ้นสุรพลเนี่ยถึงถูกเรียกตัวให้เข้าพบแล้วก็ยื่นโอกาสให้เขารับราชการประจำกองดูริยางทหารอากาศค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มตน้น ที่ทำให้เขาได้รับการเรียนรู้เกีย่ยวกับการดนตรีและร้องเพลงและทำให้เขาในปี2496เพลงน้ำตาลาวเวียงเป็นเพลงแรกที่ได้รับบันทึกเสียงแต่เพลงที่ดังจริงๆคือชูชกสองกูมานแล้วก็มีผลงานในชุดสาวสวนแต่งเป็นโสดทำไมคล้องปลอม หนาวจะตายอยู่แล้วหัวใจผมว่างสาวจริงน้องคั้นหมากมาแล้วแล้วก็น้ําตาจ่าโทมองอีกลายเพลงเลยคะ่ะแล้วก็เพลงที่ดังอีกเพลงหนึ่งก็คือลืมไม่ลงในตอนหลังเนะะี่ยค่ะสุรพลเนี่ยก็มุ่งมั่นในการทำเพลงในวงการลูกทุ่งต่อมานะคะ ซึ่งตลอดชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยสาเหตุที่เขาได้รับฉายาว่าราชาเพลงลุกทุ่งเพราะว่าความอัจฉริยะที่สามารถแต่งเพลงที่ทำให้ใครต่อใครเนี่ยจำได้นั่นอย่างเช่นเพลงวัวใจดอกนุ่งสัน้นสาวสวนแต่งนี่เขาแต่งเองนะ1ะปีแห่งความหลังซึ่งใครๆก็ยอมรับนวะว่าอัจฉริยะ แต่สุรพลก็ถูกลอบยิงเสียชีวิตหลังจากการแสดงบนเวทีที่วิคแสงจันทร์ริมถนนมาลัยแม่ตรงข้ามวัดหนองปลาไหลที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะคะซึ่งเสียชีวิตได้อายุแค่37ปีเท่านั้นเองรางวัลที่เขาได้รับเนี่ยได้รับรางวัลพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเทพ ร, รัตราชสุ ด, ดาสยามบร ม, มาราชกุมารีค่ะแล้วก็ หลังจากการเสียชีวิตเนี่ยเขาก็มีผลงานเพลงที่ติดตาตึงใจหูผู้ฟังอีกหลายเพลงนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเปิดเพลงของสุรพลสมบัติเจริญกันแต่ในวันพรุ่งนี้แช้หมดเปลือกจะมาเล่าประวัติของนักร้องลูกทุ่งคนไหนติดตามฟังให้ได้นะคะ งความหลังทั้งรักทั้งชัางทั้งหวานและขมคือสิบหกปีเหมือนสิบหกวันรักเอ๋ยชังสันไม่ยังยืน มีหวานมีชื่นมีคืนมีคมสิบหกปีที่เธอและฉันครองความรักกันสุขสันสุดเลือโค สาธนอ่น้ำใจกันมาไม่เคยนึกว่ายามาระทมกลายเป็นสวรรค์ลมปกตรมกลัดนองไปดีเถิดนะพี่ขออวยพรให้เจ้า ลืมสิบหกปีเสียเถอดนาน้องนึกว่าหลับฝันชั่วพลันเราตื่นลืมคืนเราสองที่ครองความรักกันมาถึงสิบหก ปีแห่งความฝันทั้งเธอและฉันจบเกมรักกันเพียงนี้สิบหกวันเหมือนสิบหกเดือนสิบหกเดือน เหมือนสิบหกปีพีตรมมลือดีเพราะพี่ขาดเธออาอาขับรถอยู่หรือเปล่าคะว่าแต่เมื่อยขาปวดหลังหรือเปล่า นันแน่ระวังจะชาเท้านะจ๊ะหากอยู่ท่าเดิมนานๆจนมื้ยขาปวดหลังชามือชาเท้าหัวเข่าดังกรบ๊บกรับไมเกรนขึ้นหัวกระดูกทับเส้นอย่าลืม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 จังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะเก้าเลีย้ยงนครสวรรค์ น, นะคะค่ะคุณป้าเงินยวงนี่เออเป็นอาการเอ่ออะไรมาก่อนที่จะใช้มูลไรอ่ะค่ะปวดเหนือต้นเนี่ยค่ะตรงข้อตีนข้อเท้านี่ค่ะปวดมาหลายปีแล้วค่ะปวดมานานแล้วเนี่ยแล้วฟังมูลไบเอกันโกงกระโลกไอ้ก็ถังตัวจ อ, องไปชุดหนึ่งแล้วค่ะทานหมดไปแล้วตอนนี้มันเบาเบาเยอะ เอายอก็ต่างอีกนะคะที่เบาเยอะเนี่ยอาการไหนที่มันหายไปบ้างอาการมันบวมบวมข้อเท้าแล้วก็โปตรงต้นเท้านะคะค่ะมันยุบค่ะบวมบวมตรงต้นเท้าโตมันยุะแล้วมีอะไรที่ดีขึ้นคะอ่ดีค่ะไปตรวจเป็นเบาหวานเป็นไขมันโรคหัวใจเนี่ยกระเบาไปตรวจนะฮะค่ะมันลดค่ะ อ่ะแล้วตอนนี้ก็เดินเหินสบายขึ้นค่ ะ, ะเดินสบายแล้วคะ่ะอ๋อก็คืออาการดีขึ้นแล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์เนี่ยมันได้ผลแบบนี้ราคาแพงไปไหมไม่แพงเลยค่ะเีอตีต่างชุดเล็กเลยตั้งแต่ชุดใหญ่เลยค่ะมไม่แพงเลยค่ะเธอทานมา่ากว่านี้แล้วแพงกว่านี้กระานมาแล้วค่ะก็ไม่ได้ผลเลยไม่เคยได้นานเลยไม่หายไม่อะไรเลยค่ะ เนี่ยมาตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ดีจริงๆเลยค่ะค่ะค่ะทางรายการมูนไบร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าเงินยวงพูนเพิ่มเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะค่ะค่ะช่อมือช่่าเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูลไบร์จำ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูไนไบรท์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูไนไบรท์สอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสาเกสหเก้าเจดเจดจำศูนหนึ่งสาเกสหเก้าเจดเจ็ด เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสมหวังพวงสมบูรณ์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะเสียงแห็ดเลยนะคะเป็นหวัดค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้แนะนํอชื่อนำสกุลและที่อยู่ค่ะชุณชื่อสมหวังพวงสมบูรณ์อยู่บ้านหัวดงหมู่ที่อำเภอเขาเลียวในใจตัวนี้แลดีมากค่ะค่ะเดี๋ยวจังหวัดอะไรคะ จะเลี้ยวค่ ะ, ะแล้วก็ตะวันค่ะค่ะเอออาการเดิมของคุณป้าสมหวังเนี่ยเป็นอะไรมาจ๊ะเกิดอุบัติเหตุแ ล, ล้วเอไหลหลุดแขกกระดูกแตกแล้วก็ทํากินไม่ได้ค่ะค่ะแล้วก็หลังมันตรวจมากเลยก็ว่าปีนี้คงตัดอ้อยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ได้ละเือะ่อล็ลงมากินตัวนี้ไปฟังจากวิทยุ ว, ว่า ให้ลดความลดอะไรก็ไม่สิบหายได้ก็ลองลองเอามาดูค่ะค่ะตันนี้ไม่แพงอะค่ะคาไม่แพงเลยพอกินแล้วเขาไปตัดอ้อยจังคืนเลก็ไปกับเขาได้ค่ะอืมค่ะแต่มันยังเจ็บอยู่แต่ก็ไปได้อืมแล้วอาการที่แบบว่าปวดมันก็คือทุเลาบ้างมากขึ้นทุเลาค่ะทุเลาอืมใช้ยาทาด้วยค่ะ มก็ก็เบามากขึ้นนะคะเบามากขึ้นแล้วก็มาลองหยุดเนี่ยได้ได้กินแต่ลวันเนี่ย ม, มันเป็นโรคขอบด้วยแต่พอกินตัวนี้ไปแล้วมันไม่เป็นค่ะอื ม, มันไม่เหนื่อยไม่อะไรจนคนเขาบอกว่ า, วาเปาบางนะจะทําทอะไรนักหนาก็าเราทําเรารู้เราทำได้เราไม่เหนื่อยค่ะค่ะจะเลยมาบอกก็เป็นว่าไม่ไหวก็ต้องกลับไป ตงังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตังให้เขาอืมจ้แล้วป้าสมหวังมีอะไรจะฝากกับคนที่มีอาการเป็นแบบป้านะ <c oughs> เคยรถชนอะไรแบบเนี้ยค่ะให้ทุกคนไม่ต้องตีอวาแพงนะคะทานได้หนึ่งตัวี่ดีมากเลยไม่ได้เป็นหน้ามาให้นะคะไม่ได้อะไรเลยแต่พูดความจริงอยากบอกทุกคนเป <c oughs> ็นเราตืนหวังแลว้ <c oughs> วอ่ะมุยาอะไรก็เอาเราไม่ได้เลย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 16ปีแห่งความหลังเป็นราชาเพลงทุกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญค่ะฟินสุดกันที่ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน เห่านี้ก็สาแก่ใจสาถึงดวงในพวกเราโบราณท่านว่ า, าบรรดาช่างสาร้หมงูเห่าอีกทั้งข้าเก่า เ, าเมียรักท่านเปรียบไว้นาอย่าได้วางใจเช่นตั้งตัวผ ม, มต้องกลมดวงใจสุขทอน เมียรักที่เคยกอดนอนต้องมาหนีจอจากไปลืมผัวทิ้งลูกลูกฟังคิดพบชูใหมยเมียเอ๋ยช่างเลวเหลือร้ายพี่บป่าหรือไรสิ่งใจแม่นางลืมน้ำพริกผักจิ้มไตปลา าเจ้าลืมกระทางปลายางเจ้าไฟ่เทวินโบยวินที่ติดวี่างอัมลาหัวไปไกลหาก่างทิ้งลูกร้องครางเสียแถบขาดใจสิ้นส กันเถนางแม่นางมัวราใจสองชาตินี้ไม่ขอไฟประมงให้มามัวมองตไปสงสารแต่ลูกต้องมาครั้งครวนร้องไห้ลูกเลยแม่จากจ้าไปพ่อยังเลี้ยงได้นะลูกยา ไม่ต้องกลัวหน่อยนาะพอจะสรงเสียให้เจ้าได้รับการศึกษาต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าจะได้มีวิชาติดสินชาติขาดกันตั้งแต่วันนี้เธอดหนาะนางหญิงใจสามชั่วชา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 สวัสดีค่ะค่ะให้คุณป้าบอยแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อค่ะชื่อป้าบอยหนูนาค่ะอยู่บ้านาเลขเท่าไหร่คะอยู่บ้านเลขที่ห้ามเจ็ดค่ ะ, 7, คะดงบ้านโพค่ะตำบลตำบลหัวดงอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ค่ะคุณป้าบอยอายุเท่าไหร่คะอายุหกิเจ็ดค่ะ 6-7 เจ็ดนะค่ะป้าบอยนี่ก่อนจะมารู้จักกับมูลไบรท์ป้าเป็นอะไรมาคะปวดหัวเข่าค่ะปวดมากีดทีฮะเพิ่งจะเริ่มเป็นอ๋ออ๋อะแล้วปวดหัวเข่าอย่างเดียวเหรอมีอย่างอื่นไหม ค่ะปวดหัวาข้าวอย่างเดียวอืเพิ่งจะเริ่มเป็นไม่ถึงปีเนาะมไม่ถึงปีค่ะแล้วป้ามารู้จักกระมูลไบรท์ได้ยังไงอะคะฟังวิทยุค่ะอืมฟังวิทยุก็ประกาศถินสัมภาษณ์คุณหนองกุดก็ว่าก็เป็นเหมือนการไปนั่งเข้าห้องน้ำมานั่งหงายท้อมันตึนงเลย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 วิทยุขึ้นมาได้ยินกันเลยโทรสั่งเอามากินกินแล้วมันก็รู้สึกว่าเบามันดีขึ้นค่ะคุณป้าคะถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาฟังวิทยุอยู่ตอนนี้เขาไม่มั่นใจว่าเอ๊จะสั่งดีไหมเพราะว่ากลัวว่าเออสั่งไปแล้วเนี่ยมันมันจะเป็นหน้าม้าไหมหรือจะโดนหลอกไหมเขาปัวกก่ น, นะคะคุณป้า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 ค่หมู่สองค่ะตำบลตำบลเก้าเลียวจังหวัดนครสวรรค์อ่าอําเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะค่ะคุณรัตนาคะก่อน ห, <ะ>หน้าที่จะมารู้จักกับมูลไบร์นี่เป็นอะไรมาคะก็ปวดขาค่ะปวดขาปวดเขานี่นะปวดหลังนี่เนี่ยแบเดิมันเดินไม่ได้เลยอือเดินไม่ได้เลยเหรอคะแบบมันเดินแล้วเวลาต้องเวลาจะลุกทีต้องยันอ่ะ เราได้ฟังวิวว่าหลายวันเราเราวิวว่าเป็นวันเดือนแล้วนะค่ะเพื่อมันมาฟังเห็นมาฟังฟังลำพากเห็นลำพากลำพากอยู่เลยก็ลองลองกินก็ลองกินดูเือโทรมาหาโทรมาสั่งเลยพอกินแล้วมันก็เบาค่ะกินแล้วค่อยยังชั่วซิี่หมดก็เดยก็สื้ต่างใหม่เนะเออกินแล้วค่อยยังชั่วนี่ดีอะไรที่ดีขึ้นดีขึ้นแบบขาวก็พพอเดินได้จ้ะ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 จะพอจัหลานได้พาหลานออกไปนั่งเล่นข้างหน้าบ้านได้จากตอนแรกไม่พาเลยอานั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ถ้าหลานค<ต>านหรือว่าหลานวิ่งก็คือเรียกอย่างเดียวเรียกอย่างเดียวใช่จ้ะโอถามคุณกวางตรงๆเลยนะคะคุณแม่เป็นแบบนี้ดีขึ้นแบบนี้คุณกวางดีใจไหมดีใจก็เขาบอกว่าสั่งให้หน่อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาชุดใหญ่เลยเพราะว่าไม่อยากให้หมดจ้อืมเป็นเขาดีขึ้นแล้วก็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 ตอนแรกหนูก็ว่าตอนแรกเหมือนเขาจะไม่หันเหมือนกันนะคะแต่พอกินไปได้สองวันเขาก็ดีขึ้นเลยนะเหมือนขาบสารพิษออกจากร่างกายอ่ะฝากท่านผู้ฟังไว้เลยนะคะบางคนเนี่ยใช้ของมูลไรท์ไปช่วงแรกมันจะมีอาการหลากหลายบางคนสารพิษในตัวเยอะเขาก็จะหมดแรงคือเหมือนกับว่าร่างกายมันเอตับมันกําลังคือมันสะอาดแล้วมันก็ต้องการการทักฟื้นมากขึ้นมันก็<ช>จะต้องการการนอนที่มากขึ้นหรือบางคนเนี่ย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 สั่งชุดน้ำมันมูลไบรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมสาวสวนต่างแห่งเมืองสุพรรณ ยังน้องมาลือลัน่นดังโจดจันกันทั้งทั่วกรุงเพราะเขาประพวศเทพีสวนแตงดาวรุง่งพาเจ้ามาถึงกรุงเจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจสาวสวนแตงเปลี่ยนแปลงสักสีข่าวภาพน้องเป็นเทพีทำให้มีชื่อเสียงเกริ่นไกร เสียงหนังสือพิมพ์แมวมองหมาย้องเจ้าไปสู่ดารายิ่งใหญ่สู่กลิ่นอายของความลาวันข่าวสังคมเขาชมไม่สร่านวิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันกลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพนัน สวนแตงแ่งเรารักมันเฝ้าคอยวานให้เจ้ากลับไปสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณที่คิดเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์แม่แตงรม่มายพื้นดินแหลงแหงไรแตงเหมือนคนมองไม่โรดไปเป็นควันใจกลับสู่ไรณาสาวสวน แรงเรารักมันเฝ้าคอยวานในเจ้ากลับไปาสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณมีคิดถึงเจ้าทุกวันคอยเจ็บจันทร์แม่แตงโรยใบพื้นดินแหลงแรงไรแตงเหมือนคนมองไม่โกรดไปเป็นควันใหญ่กลับสู่ไรนาสาวสวนแตง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 ค่ะคุณพี่คะเดี๋ยวมุนไบส์นะคะขอทำความรู้จักกับคุณพี่หน่อยคะ่ะให้แนะนำชื่อนามสกุลเลยคะ่ะอ่าฉันชื่อลังแดงสอนคลังอเห็นบอกว่า<บ>เป็ น, เ ป, นเป็นแบบไมเกรนเป็นอะไรเยอะมาสี่ปีแล้วค่ะปวดปวดหัวมากแล้วปวดหัวข้างเดียวค่ะตอนนั้นก็เริ่มเบาแล้วแล้วก็มันมีอาการจามเช้ามดืดประมาณ้าตืิดมาตีสี่ตีห้าน้ำมูกใสๆมันจะไหล จุดเลยอ่ะอืม่าจามแต่พออากาศาถล่มใสประมาณตั้งเจ็ดมงเช้ามันก็หายอืมค่ะถ้าเป็นอยู่จะเป็นมาหลายปีเล้วอืมค่ะเบาเบาจามเน้องเบาจามแล้วก็น้ำมูกก็ไหลน้อยลงอืมค่ะแล้วอาการปวดหัวไ ม, มเกรนนี่คือใช้น้ำมันมุนไบรแล้วดีขึ้นหรือคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมันก็ยังมันก็เบาปวดไปหน่อยมันก็ยังดานานปวด ห่างออกไปราคาเขาก็ไม่แพงแล้วนะ้องคนดิ้นดานก็ถ้าเรากินถูกเงินไม่แพงหรอก่าสํารัาแต่ก็ดีกว่าตัวอื่นที่กินกินมามแต่ลงบางต้องรักษาตลอดแล้วะที่เป็นเบาหวานด้วยอืมค่ะคอค่ะแล้วคืออืมค่ะแล้วคนที่เออมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมคือบางคนเนี่ยฟังฟังอยู่เขาไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่าโดนมาเยอะ เจ็มาเยอะเราก็ไม่อยากจะลองอะไรอีกแล้วก็เลยไม่กล้าลองกับมูนไร้ค่ะแต่ก็อยากจะให้อ่าอยากจะให้ใช้ของมูนไร้ตัวนี้เนาะที่เขากินเขาก็หายกันเยอะอันนี้มาลองกินแค่หกวันมันก็รู้สึกเบาขึ้นน่ะเราคิดว่าดีกว่าตัวอื่นเน่ะจะอยากให้คนที่เขารับฟังอะ่ะให้ไปใช้ตัวนี้ไม่หลอกค่ะคดใช้ได้ของได้หกวันเนี่ยไม่หลอกจากอ้าเห็นกัได้นั่งฟังทค่วันเนี่ย นีองก็ปวดนะี่ตอนที่ไม่สังเพราะว่าตอนนีมีเงินแต่นั่งรับจ้างร้อยมเมล็ดกินมีวันหวันหนึ่งเนี่ยไม่เสี่ยว่าดูได้เลยว้าวหูสี่เก้าเลี้ยวค่ะทางรายการมูนไบร์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณวิเชียรและภรรยา<ะ>ที่วัน<ะ>วนี้ได้มาบอกเล่าเก้าสิบนะคะถึง<ะ>ความประทับใจในผลิตภัณฑ์ของมูนไบร์ขอบคุณมากคะ่ะช่อมือช่อเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์ดำ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 กินรุ่งกับแฟนแฟนไมค์ไมค์เกนก็หายแล้ ว, ลวทีนี้คุณพี่กนเป็นอะไรมาถึงได้สนใจมาใช้มูนไบจ้ะก็เนี่ยใครมันปวดเบรนเนบไปลงไปขานะนะมันมันกินแล้วมันหายอะ่ะที่หลูที่แรกปวดมันมันขับอะน ะ, อะพอว่าได้ตักัตทีหนึ่งเบาเริ่มเบาอืมที่บอกว่าปวดเนี่ยเห็นบอกว่าปวดฝั่งซ้ายทั้งซีกเลยเหรอคะเออทั้งซีกเลย ปวดตั้งแต่<า>เอนเน็บลงขาขาบางทีก้าวจะไม่ออกเพราะได้กินมูลไว้ท์ไปนุอยอย่มโค้ชั่วอแล้วเคยรักษามาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยแล้วก็ทีปวดมากก็กินพาราอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็ยังดีก็ปวดมากก็กินพ า, าราก็ทนท น, ทนเอา <c oughs> <c oughs> แล้วก็พอมารู้จักอมูลไบรท์ก็เบาขึ้นเลยใช่ยานโวดก็ดีเนะี่ย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 ใครอยากหายเมื่อยหายปวดก็ลองลองดูได้อ่ะของลองดูได้อ่ะมันไม่เสียหายอะ่ะอแค่นี้เองโอ้โหเราร่างกายแล้วดีเงินแค่นี้หาได้เนาะค่ะ no? <laughs> ใช้แล้วก็เบาปวดหายเมื่อยและเห็นบอกว่าเออทางแฟนของคุณสุกัญญาเขาก็ปวดเมื่อยก็กินเป็นมาไมเกนก็หายใช่ไหม ห, หายหายเขากินกินหายเลยกินหายเลยอ่อค่ะ ราคาเป็นไงแพงไปไหมถ้าเกิดเราหายอย่างเงี้ยโอ้ยไม่แพงเรากินตั้งหลายวันอะ่ะกินตั้งเดือนกว่าเนาะคุ้มคุ้มราคาเนี่ยสินค้าราคาเล่นหวยงวด1นงพันกว่าบาทเล่นได้โออจริงนะบางคนเนี่ย เ, เล่นหวยงวดหนึ่งักว่าบาทแพงกว่านี้โอ้ยังเล่นได้แล้วเดี๋ยวมันมีจุดที่น่าสนใจสําหรับท่านผู้ฟังอะค่ะคือบาง<แ>คนน่ะ ตอนนี้กำลังฟังวิทยุอยู่แหละแล้วเขาใช้มูนไบไปแล้วแต่เขาบอกว่าหูมันปวดมากเลยปวดจัดเลยอ่ะโอ้ยนี่แรกปวดมากปวดมากกบบเดินไม่ไหวเลยเขาบอกว่าปวดจนจะทิ้งแล้วไม่ใช้เลยอ่ะทนอดทนเอาไงเพอปวดมากๆก็กินพาราสองเม็ดตึ้งแกปวดค่อมันก็เบาคนนี้เราก็กินเลยแล้วไม่ทิ้ง DJM จะบอกกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ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 เ่าแล้วแต่ไพ่สีววามันสิโปบาทหล่าบักแตงสร้างนวยปลายดอกน้าพี่น้องเอ๋ย